ถ้าปฏิบัติแล้วจะรู้ซึงรู้แจ้งรู้ชัดท่านมหามาที่นี่ก็ดีแล้วเป็นกำลังอันหนึ่งแถวบ้านเราบ้านภัยใหญ่น้องลักน้องคุณบ้านผลนขาวล้วนแต่เป็นบ้านสำนักเรียนทั้งนั้นเรียนแต่ของที่มันต่อกันไม่ตัดสักทีเรียนแต่สัน ต, ติเรียนสนที่ต่อกันไปถ้าเราหยุดได้ เรามีหลักวิจัยอย่างนี้ดีจริงๆมันไม่ไปทางไหนหรอกมันไปอย่างที่เราเรียนนั่นแหละแต่ถ้าไม่ปฏิบัติผู้เรียนไม่ค่อยรู้ถ้าปฏิบัติแล้วก็รู้ซึ้งสิ่งที่เราเคยเรียนมาแจ้งออกชัดออกเริ่มปฏิบัติเสียให้เข้าใจอย่างนี้พยายามมาอยู่ตามป่าที่กุฏิเล็กๆนี้มาฝึกทดลองดูบ้าง ดีกว่าเราไปเรียนปริยัติอย่างเดียวให้พูดอยู่คนเดียวดูจิตดูใจเราคล้ายๆกับว่าจิตมันวางเป็นปกติจิตถ้ามันเคลื่อนออกจากปกติเช่นมันนึกมันคิดต่างๆนั่นเป็นสังขารสังขารนี้มันจะปรุงเราต่อไประวังให้ดีไห้รู้มันไวถ้ามันเคลื่อนออกจากปกติแล้วไม่เป็นสัมมาปฏิปทาหรอก มันจะก้าวไปเป็นการ ม, มาสุ ข, ขันลิกานุโยกอัตตะกิลามัานุโยกของพวกนี้มันปรุงนั่นแหละเป็นจิตตสังขารถ้ามันดีก็ดีถ้ามันชั่วก็ชั่วมันเกิดกับจิตของเราอัตมาว่าถ้าได้จ้องดูมันอยู่อย่างนี้รู้สึกว่าสนุกถ้าจะพูดเรื่องนี้อยู่อย่างเดียวแล้วสนุกอยู่ตลอดวัน เมื่อรู้จักเรื่องวาระจิตก็เห็นมีอาการอย่างนี้รอกิเลสมันอบรมจิตอยู่อัตมาเห็นว่าจิตนี้เหมือนกับจุดจุดเดียวเท่านั้นอันที่เรียกว่าเจตสิกนั่นเป็นแขกแขกมาพักอยู่ตรงจุดนี้คนนั้นมาเยี่ยมเราบ้างคนนี้มาเยี่ยมเราบ้างคนโน้นมาเยี่ยมเราบ้างมาพักอยู่ตรงนี้ เราจึงเรียกพวกนั้นที่ออกจากจิตของเรามาเป็นเจตสิกหมด